ำพูดอย่างนี้ในองค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นท่านเตือนแล้วอย่างนั้นแ่ะเราก็ต้องระวังในการใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เป็นไม่ใช่ว่าใช้พั่มเพื่ อ, อ, อมาควักมาเถอะคุยคุยต่อนหน้าสาธารณะชนแบบไม่คิดไม่อ่าน อ, อ, อย่างนั้นดูดูแล้วมันเกินไปเป็นพระธันสมัยเกินไปควรจะอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย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 อ, อพระไม่มีความคิดความอ่านพระไม่มีความไม่มีสติปัญญาเไปอยู่ที่ไหนหนักทั้งหมดไปอยู่กับพ่อแม่ก็หนักพ่อแม่ไปอยู่กับวงศาคณาญาติก็หนักไปอยู่ในวงราชการก็หนักไปอยู่นวัดว า, าศาสนาก็หนักเ อ, อมาอยู่กับหลวงพ่อจะไม่ให้หนักได้ยังไงพระประเภทอย่างนั้นพอไในลูกหลานทุกองนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นก็คือให้รู้จักหน้าที่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 อมีหาเรื่องหาราวใส่กันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้พผลในสุขก็เลยทะเลาะกันได้ง่ายๆประเดนให้พวกเรามาเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่อเวศแสวงบุญกุศลเป็นอย่างน้อยจากนั้นมากกว่านั้นก็เราพยายามเกิดมาพบนิชาดนี้มันทุกเราเห็นไม่คนเกิดเราเห็นไมส่สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิด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 ออลองผิดลองถูกพระพุทธเจ้า Transfer: ท่านลองผิดลองถูกจริงท่านจริงงมหามหาสมุทรนะงมเข็มในมหาสมุทรพระพุทธเจ้านะแต่นี้พระพุทธเจ้า Message: บอกแล้วนะเข็มมันลงตรงนี้แหละนะนมันลงตรงนี้แหละนะเออเราก็มีจุดมุ่งหมายว่าลงตรงนี้เราก็พยายามงมหาจุดที่เข็มลงนะเออมันก็จะไม่ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเหรอพระพุทธเจ้าท่าน